มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเผยความพร้อมตั้งเป้ากวาดเหรียญทองพกกายในกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยราชภัฒอุบลราชธานีเกมรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิณฑธรรมรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมทรธัญบุรีเปิดเผยว่ามหาวิ ท, วทยาลัยเตรียมส่งนักกีฬามทรธัญบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิ ท, วทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั 4, ้งที่46ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีจะเป็นเจ้าภาพราชพัฏอุบลราชธานีเกมระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม2562ทั้งหมดจำนวน128คนใน13ชนิดกีฬาโดยเชื่อมั่นและคาดหวังว่านักกีฬาของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจะสามารถชิงชัยได้สองเหรียญทองในกีฬาเพาะกายเหรียญเงินกีฬายูยิสสูและเหรียญทองแดงในกีฬากรีธา ขณะเดียวกันมรทรธัญบุรียังมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและสร้างความเป็นเลิศทางกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยโดยมอบโคต้านักกีฬาดีเด่นอย่างต่อเนื่องยกเว้นค่าเล่าเรียนพร้อมให้เงินอัดฉีดแล้วแต่ประเภทเหรียญที่ได้มรทรธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักกีฬา เพื่อความเป็นเลิศและมีสุขภาพดีซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปัจจุบันนักศึกษามีความสามารถด้านกีฬาการออกกำลังกายและสุขภาพมากขึ้นมหาวิทยาลัยจึงพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศั ก, กยภาพนักศึกษามอทรอทัญบุรีโดยมีกาหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2562 จึงขอส่งกําลังใจให้ทัพนักกีฬาของมอทรรทันบุรีและมหาวิ ท, ทยาลัยอื่นๆให้แข่งขันด้วยความมีน้ำใจของนักกีฬาและทำการแข่งขันกีฬามีมาตรฐานที่สูง ข, ขึ้นต่อไปดาริสาตะกุลเง็กรายงานองค์การอนามัยโลกเผยไทยมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดในอาเซียนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆและคนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุดโดยไทยครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในอัตราส่วน 32.7 คนต่อประชากร 10,000 แคนโดยทวีปแอฟริกามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดในโลก เนื่องจากหลายประเทศในแอฟริกาและอเมริกาใต้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมความเร็วที่เพียงพอและปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์กำลังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มเด็กและคนวัยหนุ่มสาวที่มีอายุตั้งแต่5ถึง29ปีด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคอันดับสองรองจากแอฟริกาที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดตามมาด้วยเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ซึ่งมีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่าเสียชีวิตจาก HIV หรือเอสวัณโรคหรืออาการท้องร่วงข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าผู้คนราว 1.35 ล้านคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกในปี 2,559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะที่ความเสี่ยงของการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงกว่าเป็น3เท่าในประเทศที่มีรายได้ต่ำปราฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า